มีคําทํานายเขาบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ห้าพันปียมจำไหมนะพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเรื่องเนี้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดนะแต่ใครเดีย๋ยวเที่ยวไปเสียคมเสียมวยนะไปเที่ยวพูดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาศ า, าสนาของพระองค์จะอยู่ได้ห้าพันปีเนี่ย โยมอยากจะจําไปพูดนะพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องพวกนี้มีแต่เขียนกันรุ่นหลังเท่า น, นั้นเนะ่ยแต่ว่าเพื่อให้มันเกิดความน่าเชื่อถือคือเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าอ้างพระพุทธเจ้าไม่จริงนะพรพุทธเจ้ามีได้ตรัสว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติแบบนี้อยู่ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติอยู่มีอริยมรรคมียงแปดอยู่ตราบนั้นพระอริยบุคคลจะไม่สิ้นไปจากโลกนี้ แต่ยังมีการปฏิบัติอยู่อะไยังมักมีวงแหวนยังเป็นไปอยู่แต่ว่าคนที่มันมีความคิดหน่อยเป็นปราดหน่อยมันมองสภาพการการเจริญของวัตถุตั้งแต่สมัยโน้นนะมองว่าอํานาจของกิเลสตัณหาเนี่มันจะเจริญยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันจนทําลายพระหมดก็คิดว่า ศา ส, สนาพุทธจะอยู่ประมาณห้าพันปีแต่พู้เจ้าไม่เคยพูดหรอกอาจจะไม่ถึงก็ได้ใช่ไหมถ้าพู้เจ้าไม่พูดไว้น่าจจะไม่ถึงก็ได้แต่เราปฏิบัติแบบนี้กันอยู่เรื่อยจิตมันจะไม่ห่างจากอารมณ์ของฌานจิตไม่ห่างจากฌาน ไม่ได้เป็นฌานก็ถือว่ายังไม่ห่างจากฌานใกล้กับฌานฌานจริงๆนะมันจ่ฌานมาก mm hmm. <laughs> เพราะว่าจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันใกล้ถึงความแน่วแน่ถ้าแน่วแน่เมื่ อ, อไรมันก็เป็นฌานใช่ไหมถ้ามันใกล้ถึงความแน่วแน่ก็เรียกว่าจิตอยู่ใกล้กับอารมณ์ฌานอยู่บ่อยๆ จิตอยู่ใกล้กับอารมณ์ฌานอยู่บ่อยๆเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากกับการที่จะได้เปลี่ยนโคดโคดอะไรรู้ไหมโคดตระพูมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนโคดคือว่าจากอาจากปุตุชนโคตเป็นอริยโคดเพราะว่ามัน เปียนสมมติว่าโยมเป็นโสดาบันขึ้นมาก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกเปลี่ยนไปกว่านี้อย่างตอนนี้เราไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมเออไม่ไม่โกงใช่ไหมเรายินดีพอใจในคู่ครองของตนเองอไม่เคยคิดที่จะนอกใจคู่ครองของตัวเองไม่โกหกใครและไม่ตั้งใจที่จะโกหกและไม่คิดที่จะโกหกใครรังเกียจการโกหกด้วย ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษไม่ดื่มทุรายาเมาเราเป็นอย่างนี้ของเราอยู่แล้วใช่ไหมพอสมมติว่าโยมเป็นโสดาบันโยมก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นโสดาบันเขาเรียกว่าเราอยู่ใกล้กับความเป็นอริยโคดมีการรู้ลมหายใจบ่อยๆบ่อๆบ่อๆบ่อๆบ่อๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยใกล้กับความเป็นหนึ่งใกล้อยู่กับ เราอยู่ใกล้กับการที่อารมณ์เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าอยู่ใกล้กับอารมณ์ของฌานอยู่ไม่ห่างจากอารมณ์ฌานการที่อยู่ไม่ห่างจากอารมณ์ฌานหมายความว่าอะไรหมายความว่ากําลังของสมาธิมันมีพอมันมีมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับที่จะให้เห็นสังขารเห็นขันห้าตามความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องที่ ยากเย็นอะไรเลยแล้วไอ้ <c oughs> ถ้ามันมี <c oughs> สภาพความเป็นแบบนี้อยู่มันไม่พูดไม่ได้เรื่องห้าพันปีคืออายุ ข, ของศาสนาพุทธตะคนยังมีการปฏิบัติอย่างนี้อยู่ใกล้กับอารมณ์มันเป็นหนึ่งแบบนี้เรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากอารมณ์ของฌานแบบนี้การเปลี่ยนโคตจากกุตูชนโคตรมาเป็นอริยโคตรมันก็สบาย เหมือนคนทรูบุรีแต่ไปตรวจร่างกายประจำใช่ไหมไปตรวจร่างกายประจำหมอบอกบาเรืเลยใจมัน ก, ก็คิดจะเลิกคิดจะเลิกอยู่เรื่อยเรื่อยรยร่อยรือยโอกาสที่มันจะไม่ทรูบุรีมันมีมากเหมือนปุทุจนนั่นแหละพอพอเราหันมาปฏิบัติขัดเกลาจิตใ จ, จเจริญภาวนาจเจริญสติได้ให้เราสังเกตดิว่าอารมณ์ในหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งวันของเรา 1วันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนว่าเปอร์เซนต์ของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามอำนาจของอาศาวะกับเป็นไปตามอำนาจของธรรมเปอร์เซนต์มันมันไม่ห่างกันมากมันไม่ห่างกันมากแม้นว่าเราจะต้องไปทำมาหากินก็ยากไม่ค่อยมีกับการที่เป็นทุจริต อาชีพเราก็พร้อมที่จะเป็นสา ม, มาอาชีวะความเห็นของเราความคิดความอ่านการสแสดงออกความเห็นของเราเนี่ย mm hmm. ยากกับการที่มันไปขัดแย้งกับกับศีลธรรมกับทานองคลองธรรมใช่ไหมม mm ันนี่มันก็ใ ก, กล้ความเป็นสา ม, มาทิฏฐิะ การธมาค้าขายของตัวเองก็ไม่ต้องการที่จะไปช่อโกงใครก็ใกล้กับความเป็นสัมมาอาชิวะ<ม>ความคิดต่างๆก็ไม่ไปอยู่ในอำนาจของอกุศลตลอดเวลาความคิดส่วนมากก็เป็นกุศลอยู่เรื่อยๆก็เรียก ว, ว่าใกล้สัมมาสังกัปปะ<ม>คำพูดคำจา ไม่กไม่ไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่คำหยาบไม่ให้ร้า ย, ายไม่เพื่อเจอเหลวไหลร้ายสาระเป็นส่วนมากอันนี้ก็เรียกว่าใกล้สัมมาวาจาะอยู่ไม่ห่างจากสัมมาวาจาแม้จะไม่เป็นสัมมาวาจาโดยสินเชิงทางพฤติ ก, กรรม ไม่ฆ่าไม่ข ม, ขมบยไม่ประพฤกผิดลูกเมียนอกทุกนอกใจภรรยานอกใจสามีของตนเองไอ้นี้ก็ใกล้สัมมากรมันตะมีใจมุ่งมั่นในการที่จะละความไม่ดีทำในสิ่งที่ดี อะไรดีก็มีใจกับการที่จะไปธนุถนอมรักษาอะไรดีที่ยังไม่มีก็พยายามทํามันเข้าไอการมีใจแบบนี้นี่ก็าเรียกว่าใกล้กับสัมมาวายามะแล้วมีการเจริญอนาณาปานาสติบ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อันนี้มีใจใกล้กับสัมมาสติมองอะไรก็จะมองไปตามความเป็นจริง จะมีไม่มากนะักที่จะปล่อยให้จิตหรือความคิดมันหลงไหลทั้งๆที่รู้อยู่ว่าไม่ดีทั้งๆที่รู้รู้อยู่ว่าไม่ถูกก็จะอะไรที่ตัวเองเห็นว่าไม่ถูกอะไรที่ตัวเองเห็นว่าไม่ดีก็จะไม่ปล่อยให้ความเห็นนั้นไหลลงไปถือหางถือข้างอะไรอย่างนี้เรียกว่าจิตมันมีความแน่วแน่พอ ใกล้กับความเป็นสมมาสมาธิงั้นถ้าใจมันใกล้ต่ออริยมรรอย่างนี้จะ แ, แสดงว่าอะไรใจมันใกล้ต่ออริยมรร์มันอยู่ไม่ห่างจากอารมณ์ฌานนั่นหมายความว่าใกล้ในความเป็นอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นที่ไปพูดห้าพันปีห้าพันปีไม่ได้ในที่นั่งนี้เป็นสุราวันง่าย <laughs> เป็นดูถูกดูแคลนไม่ได้เป็นคาราวาสศีลห้าบริบูรณ์ไม่มีเจตนาในการผิดศีลโดยเด็ดขาดก็เป็นแล้วแค่นั้นเองเป็นโสดาบันง่ายๆนี่ไอาการโอกาสที่จะเป็นง่ายๆอย่างเงี้ยมัน มันจะไปพูดว่าพุทธศาสนาอายุแค่ห้า0ันปีไม่ได้หล่งพระพิจ้าว่าตราบใดยังมีอรรยมรรคมีองค์แปดยังมีการปฏิบัติกันอยู่ยังมีครูบาอาจารย์ตั้งใจสอนกันอยู่ก็ไม่ว่างเว้นชาวบ้านหลายคนนะอย่างอาจารย์วสิอินทรระเนี่ยเป็นค า, ารวส ท, ที่ค่อนข้างแน่นอนอาจารย์วสิอินทรระนี่ เห็นแกมาตั้งนานนไม่เคยไม่เคยเห็นคำพูดทุดจริตคำพูดคำพูดทุพภาศิตของแกนี่ ม, มีไม่เคยเห็นนิ่มนุ่มปีนี้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมอยู่หน้าวัดเขมาหลายคนอะ มีแม่ชีวัดนี้คนหนึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่คลองสิเ็ดป่ะอายุร้อยปีนี่อายุร้อยสี่ร้อยสี่ปีแล้วปีที่แล้วปีก่อนโน้นเอามาทำบุญที่นี่ปีที่แล้วก็ได้ไปเยี่ยมปีนี้ไม่ได้ไปติดโควิดชื่อแม่ชีกหลาบสุทีิถนอม ไม่เคยเห็นว่าในชีวคนนี้จะมีกิริยาในการใช้กิเลสในการดำเนินชีวิตเลยเออข้าวอยู่ที่ห้องก็พูดไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จกวาดจัยาเลยยิย้มเออขียนกันเทศด้วยนะเขียนกันเทศในประเทศนะ <laughs> ไม่ชีกูหลับเกก็ค่อนข้างแ น, น่นอยต้อยรู้จักมั้งเออนั่นอะ่ะการวาดเยอะอนะ่ะ <laughs> หลายคนนะเพราะฉะนั้นพูดไม่ได้ว่าศาสนาพุทธจะอยู่ได้ห้าพันปีมากกว่านั้นแต่ตราบใดยัง พวกเรายังมาเนกันอยู่อย่างนี้นี่เท่ากับรักษาสืบ อ, อายุพระศาสนานะรู้ไหมให้นำพาอาริยามัชมีโยงแปดข้ามวันกล้าคืนออที่ทำกันอยู่เนี่ยการสืบอายุพระศาสนาที่ถูกต้องที่แท้จริงก็คือการเดิมเดินดเนินตามองค์ของมัชเพราะเมื่อใดมัชยังเคลื่อนไหวอยู่ใน ในพุทธศาสนาดิกชนได้เมื่อ น, นั้นพุทธศาสนาก็จะยังอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานนี่ที่เราอดตนอดหลับตานอนกับตานอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอะไรของมรรคเพราะมันไม่มีอะไรห่างไปจากศีลสมาธิและปัญญามรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาสมาธิติสมาเอออ่ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นเป็นเรื่องราวของปัญญาสีขาสัมมาวจสัมมากรมมันตะสัมมาชีวะมันเป็นศีลและสีขาสัมมาวายามะสมาสติสมมาสมาธินั่นนะเป็นจิตตสีขาในศีลสมาธิปัญญามันก็คือมรรคแปดมรรคแปดมันก็คือศีลสมาธิปัญญา ไอเราดำเดินอยู่ตั้งแต่เช้าของวันที่ยิบเจ็ดมาจนถึงตอนนี้มันก็เป็นไปตามกําลังของศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าําเดินไปตามกาลังของมรดเดินอยู่ในกําลังของมรกเรียกว่าเป็นการสืบอายุพระศาสนาแท้ๆออย่างนี้เรียกว่าพูดไม่ได้ว่าพระพุทธศาสน า, าจะมีอายุห้าพันปีนะแล้วอย่าไปอ้างนะบอกพระพุทธเจ้าพูดพุทธเจ้าไม่เคยตัด ไม่เคยตรัดเลยและในทางกลับกันจะทําให้พุทธศาสนาจเจริญยิ่งขึ้นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ก่อนยุคเนี้ออยุคอะไรสามจีสี่สามีก่อนยุคเนี้ก่อนยุคของเทคโนโลยีที่มันจเจริญขึ้นเพราะไม่มีเทคโนโลยีจเจริญขึ้น สิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาเยอะเพราะว่าอาศัยสิ่งแปลกปลอมสร้างความเชื่อสร้างความหวาดกลัวในเรื่องของบาปให้กับผู้คนที่นับถือพุทธศาสนาก็แฝงขึ้นมาด้วยระบบของเจ้านายบ้างด้วยระบบของกษัตริย์ที่ปกครองอยู่บ้างต้องการให้ไพร่้านั้นอยู่เป็นถูกแล้วก็ เ, เพื่อความดูแลอย่างทั่วถึงบางทีกฎหมายการปกครองมันเข้าไม่ถึงเนี่ยแต่ไอความกลัวเนี่ยมันเข้าไปเมื่อใดมันก็จะเรียกว่าควบคุมได้สร้างตำนานอย่างโน้นอย่างนี้สัตว์ในตำนานก็ปรากฏขึ้นผลกรรมตำนานแห่งเปรตทั้งหลาย ท, ที่ไม่มีก็เกิดขึ้น ให้มันเกิดความหวาดระแวงเกิดความหวาดกลัวคนก็ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของทานศีลภาวนาสมัยก่อนแต่พอมายุคหนึ่งพอเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเนี่ยออมันอะไรอะไรมันก็เริ่มเปิดเผยขึ้นนะแต่ก่อนที่จะถูยุคนั้นปลายปลายยุคของความเชื่อแบบนั้นคนก็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วก็ คนที่เชื่อเข้าไปในเรื่องนั้นก็ปักลงไปว่านั่นคือพุทธศาสนานั่นคือการสอนของพุทธสนาพุทธศาสนามีคือความเป็นอย่างนั้นเนี่ยนานของพุทธแท้ๆมันก็ค่อยๆจางคลายออกไปจากจากความเชื่อของคนมันกลับไปเชื่อเรื่องอื่นๆพอยุคเทคโนโลยีเข้ามามันสามารถที่จะพิสูจน์เรื่องราวต่างๆได้ ไอ้เรื่องที่มันไปพิสูจน์ได้ต่างๆมันไม่ใช่พุทธศาสนานะแต่แต่คนมันเชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาแต่พอไปพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่พุทธศาสนาเพรา ะ, ะนั้นในยุคของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทําให้พุทธศาสนาจเจริญขึ้นะจะเจริญขึ้นเราสังเกตดีไหมาคนก็เบื่อศาสนาพุทธตอนนี้ก็เบื่อตรงไหนพระไม่ดีเบื่อทําบุญกับเด็กดีกว่าฮนะ นั้นไม่ใช่พุทธศาสนานะอย่างนั้นไม่ใช่นะก็แสดงว่าการศึกษาเรียนรู้ของคนนี่มันเข้าถึงได้ง่ายและเร็วพอเข้าถึงได้ง่ายและเร็วไอ้ความเป็นพุทธศาสนาแท้ๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตัวที่จะเอาพุทธศาสนามาประกาศต่อโลกจริงๆก็คือไอพ้พวกที่ชอบเนี่ยแหละ ที่ชอบขุดชอบคุยชอบคนเนี่ยเพราะฉะนั้นในในยุคนี้ต่อไปในข้างหน้าในทางในทางเดียในขณะเดียวกันศา ส, สนาอื่นที่เป็นเทวานิยมที่มีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าก็จะถูกขุดคุยเหมือนกันของศาสนาพุทธนี่เมื่อขุดคุยไปแล้วก็เจอเป็นความจริงแต่ของศาสนาอื่นเมื่อขุดคุยไปแล้วเนี่ย มันหาความจริงไม่ได้ที่หาความจริงไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีให้ขุดมันไม่มีให้ขุดขุดก็ไปก็ตันขุดก็ไปก็ตันเพราะของเขาเป็นเทวนิยมขุดหาเทวดาหาเจอขุดหาพระเจ้าหาเจออเออมันมันพอขุดไปถึงปั๊บมันไปตันตันตรงเส้นทางที่จะขึ้นหาพระเจ้าอ่ะมันมันมันมันไม่สามารถ ที่จะเชื่อมต่อด้วยด้วยไอ้ใยแก้วนําแสงได้ด้วยไอ้เรื่ออปติกอะไรเนาะไ ป, ไปออปติกอะไรเงี้ยไม่มีต่อให้มีความเร็วเหนือกว่าแสงก็ไม่สามารถที่จะตรงเข้าไปสู่ไม่สามารถตรงเข้าไปสู่พระเจ้าได้แต่ของพระพุทธเจ้านี่ถึงได้หมดตัวพระพุทธเจ้าเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดา มีทั้งพุทธมีทั้งในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนามีทั้งในประวัติศาสตร์ของชมพุทวีปของประเทศอินเดียมีตัวตนแน่นนอนว่าผู้เจ้านี่เป็นบุตรของมนุษย์แล้วก็อยู่ในท้องแม่สิบเดือนเหมือนมนุษย์ทั่วไปเข้ามาสู่โลกนี้ผ่านจากตักของมารดาเหมือนมนุษย์ทุกคนไต่ต้าความเป็นมนุษย์ตั้งแต่เด็กทารกเด็กเล็กเด็กอ่อนมาเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป ผ่านการเรียนรู้เข้าสู่โรงเรียนฝึกฝนตนเองแต่งงานแต่งการมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเรียกว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาพระพุทธเจ้ามันเข้าถึงไหมมันก็เข้าถึงได้แต่พอไปพระเจ้ามันเข้าถึงไม่ได้ทีนี้การได้เป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถเข้าถึงได้อีกความรู้ของพระเจ้าเราสามารถเข้าถึงได้อีกทั้งหมดเพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าเปิดเผยทั้งหมดเลยเรียกว่าเหมือนหายของที่คว่มอยู่หายมาให้เห็นหมดเลยไม่มีอ่ก็เราสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนกลับไปอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์น่ะของพระพุทธเจ้านิดเดียวอ่ะสองสามบรรทัดอ่ะของนักปราชญ์ที่เขียนขยายของพระพุทธเจ้าสองสามบรรทัดนี่โอ้เขียนสองสามเลม เวลาเราจะไปตีความเราต้องไปตีความของนักปราชญ์นะของพระเจ้านี่ไม่ต้องตีความนะพูดง่ายๆตรงๆเท่านั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงอีกเข้าง่ายอีกแต่ความรู้ของศา ส, สนาอื่นเข้าไม่ถึงเข้าไปถึงก็ไปตันตรงนั้นเป็นเขตหัวง่ามแต่ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ท่านรวบรวมมา เป็นพระไตรปิฎกไม่มีข้อห้ามมีแต่เชิญชวนเชิญชวนเข้าไปทั้งวินัยปีดดกสุตตันตะวีดกดกอภิธรรมปีดดกเชิญชว น, นเข้าไปศึกษาทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้หมดการปฏิบัติก็ไม่มีการหัวง่ามเพราะฉะนั้นของศาสนาพุทธนี่มันเปิดเผยเป็นลักษณะของศาสตร์เป็นสัจจะ พะเข้ามาอยู่ยุคของเทคโนโลยีบางปัจจุบันนี้มันจึงจะเป็นตัวเร่งที่จะให้พุทธศาสนานี้จเจริญยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้คำสอนที่จะมีในเรื่องของศาสนานคำสอนที่จะมีอยู่ตามมหาวิทยาลัายต่างๆอีกหน่อยหนึ่งก็จะคงเป็นพุทธศาสนานและก็เป็นศาสนานที่มีคำสอนใกล้ๆใกล้เคียง เป็นคำสอนประเภทที่เป็นวิมุตตินิยมปัญญานิยมและจิตนิยมคำสอนประเภทเทวนิยมนี่จะไม่ได้รับความนิยมแล้วว่าคำสอนเหล่านี้ก็จะถอยตัวเองออกไปยังดินแดนไปปะกหลักอยู่ตามดินแดนที่ห่างจากเทคโนโลยีห่างจากการพัฒนานั้นเราจังเห็นว่าวางประเทศมีการลงโทษ เพื่อบูชาพระเจ้านี่ยังมีอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่ไม่ค่อยได้พัฒนาไอสไตา์เคยพูดไว้ว่าในยุคที่วิทยาศาสตร์จเจริญถึงที่สุดนั้นจะมีพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะอยู่คู่กับวิทยาศาสตร์ได้เพราะพุทธศาสนานี่สามารถที่จะแสดงความจริงมากกว่าที่วิทยาศาสตร์แสดงได้ วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์พุทธศาสนาได้สิ่งที่สิ่งที่ท พ, พุทธศาสนามีสอนวิทยาศาสตร์สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเท็จท่านวิทยาศาสตร์จึงพิสูจน์พุทธศาสตร์เนี่ยได้แค่สองอย่างหนึ่งพิสูจน์แล้วว่าจริงสองไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือเท็จ ส่วนที่พี่สุดเลย ว, ว่าเทธไม่มีไม่มีเพราะามันจึงอยู่กันได้แล้วคําสอนของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดูดิเมื่อก่อนโน้นตอนสองพันสมัยพระเจ้าประกาศพระศาสนาอยู่พระนำสอนก็สอนอย่างเนี้อรัญกาโตวาลุกามูละกโกวาสุญญาคาระกโตวา พลงังคังอปุจิตวานิสีนตีปริมุขังสติ๖พัตเวตวะสัตวะอัตติสตตวะปัสสติที่คัง ว, งวังอตตะสันโตที่คังอตตมิทีปจานาที่ก็สอนอย่างนี้วันนี้เรามาปฏิบัติการเราก็สอนกันอย่างนี้อีกกี่หมื่นปีหมื่นปีข้างหน้าก็พูดกันอย่างนี้สอนกันอย่างนี้พอไปสอนกันอย่างนี้แล้วปฏิบัติตามอย่างนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจได้รับผลเหมือนกัน เมื่อสมัยก่อนได้รับผลอย่างไรเราวันนี้มาปฏิบัติกันเราก็ได้รับผลอย่างนี้นี่มันเป็นสัจจะสัจจะทั้งในส่วนการสอนสัจจะทั้งในคำสัจจะทั้งคําสอนสัจจะทั้งการสอนสัจจะทั้งผลของการปฏิบัตินี่มันตรงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในคําที่ว่าพระธรรมพระธรรมของพุทธศาสนามันจึงมีอยู่สามสามองค์ประกอบ ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้พระธรรมประกอบไปด้วยสามส่วนหนึ่งส่วนที่ชื่อว่าปริยัติสองส่วนที่ชื่อว่าปฏิบัติสมส่วนที่ชื่อว่าปฏิเวทมันจึงเรียกว่าพระธรรมถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพระธรรมไม่ได้มาลมันครบหมดทั้งเหตุและผลส่วนปริยัตินั่นก็คือการเรียนการฟังการศึกษาว่าพระผู้ไดเจ้าสอนอย่างไรทีนี้ อันนี้เรียกว่าปริยัตส่วนปฏิบัติก็คือเอาสิ่งที่เราเรียนเราฟังเราศึกษาและเข้าใจแล้วนั้นน่ะมาปฏิบตัติผลที่เกิดจากปฏิบาการปฏิบัติมันปรากฏสามอย่างนี้แหละมันปรากฏขึ้นมาเลยเรียกว่าพระธรรมเอ า, าเฉพาะปริยัตอย่างเดียวไม่เป็นพระธรรมถ้าเอาปริยัตอย่างเดียวพระพุทธเจ้าเรียกว่าอ่าโ ป, โปธิละเรียกว่าคือพวกใบลานเปล่ากําพรีเปล่า ปฏิบัติโดยไม่รู้ปริยัตยิโอกาสที่จะหลงผิดหลงทางง่ายเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการนักปฏิบัติเยอะแยะมากมายออแล้วก็พอปฏิบัติผิดผลที่เกิดมันก็ผิดเพราะนะครับว่าพระธรรมมันจึงประกอบขึ้นด้วยสามส่วนนี่แหละปริยัตยิปฏิบั ต, ปบติปฏิเวททีนี้ไอาการการที่กล่าวว่า เรามาปฏิบัติกันอย่างนี้เนี่ยมันจึงได้ชื่อว่าเป็นการสืบอายุระศาสนาเพราะฉะนั้นที่มีคนกล่าวว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุแค่ห้าพันปีน่ะมันจึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสคนอื่นกล่าวนะไปถึงตอนหนึ่งว่าคนที่นามถือพุทธพระจะเหลือแค่ผ้าแดงห้อยหูแต่ถ้าพิจารณาตามสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มันก็น่าจะเดินไปได้ถึงความเป็นอย่างนั้นแต่ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สัตว์อย่างนั้นพระพเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นของเรานอกกัดนอกจากการเจริญสติแล้วเนี่ยเรื่องอาการสาสองเนี่ยฝากไว้ท่องกันให้แม่นจำกันให้ได้แค่ได้อย่างอาการ3ามอง อ, ะอ่ะฮะไม่ชีนี่ได้ไหมวันทาได้ว่าเออมันหายหมด อาการสามสิบสองคือรายละเอียดของความเป็นเราจะต้องท่องศึกษาให้ได้เวลาเราเจริญสติเสร็จแล้วเนี่ยเอาจิตรู้ไปเดินอาการสามสิบสองของร่างกายมันจะทำให้ได้องค์ธรรมเยอะมากแล้วพระพุทธเจ้าเรียกพุทธมนต์มนที่ศักดิ์สิทธิ์มนที่สำคัญถึงขนาดเรียกว่ามหามนต์เลยคืออาการสามสอง อธิมีมาสัมิงกาเยเกชาโลมานักาทันตาตาโจมังชังนะารูอัธิอธิมินยังวะกังได้ไหมถูบังคับไปท่องใช่ไหมโอ้ครับด้วย <c oughs> อาการสามสิบสองที่เราควรจำไม่ได้ก็คือว่าผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับปังผืดไตปอดใสใหญ่ใสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันก้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดนะแล้วก็มันสมองมัตเ ต, ต, ตเกมัตตลุงคังคือเยื่อในกะโหลกศีรษะนั่นแหละเพราะเยื่ว่ามันสมองสามสิบสองประการนี้คือธาตุดินกับธาตุน้ำที่มันประกอบขึ้นมาเป็นเรา เราจําเรื่องนี้ได้แล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ก็คือว่าจะทําให้เราไม่หลงตัวเองอข้าวหาตัวเองแล้วไม่หลงตัวเองไม่หลงในความสมมุติของตนเองไม่หลงในดีกรีที่ที่ถูกนิมิตขึ้นเช่นว่าเราสวยเราหลอ่อเรารวยเราเก่งเราเด่นเราดีเราเรามีฐานะ เราเราดีกว่าคนโน้นดีกว่าคนนี้พอเรารู้เรื่องอาการ3 2มพิจารณาบ่อยๆจนทําให้เรามันจะหนักลงไปได้ว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยมันแค่ประกอบขึ้นโดยธาตุสคือดินน้ําไฟลมแล้วมองก็ไปที่ตัวเด้งมองผมขนเล็บกวานหนังเนื้อศึกษารายละเอียดมันด้วยพอเรื่องผมศึกษารายละเอียดมาเลยผมเนี่ยศึกษา4ี่หส่วน สีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ก็สีเส้นผมนี่สีเป็นอย่างไรสันฐานคือรูปร่างเป็นอย่างไรที่เกิดเกิดอยู่ที่ไหนที่เกิดที่อยู่อยู่อย่างไรเส้นผมสีอะไรอ่ะสีอะไรไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้ สันธานคือรูปร่างเป็นแบบไหนมีลักษณะเป็นเช่นๆใช่ไหมเกิดที่ไหนบนศีรษะลักษณะของการเกิดก็คือว่าเอารากของผมนั้นขวางอยู่ในหนังหัวรากของมันมีลักษณะเหมือนกับตัวเขาขวางอยู่ด้วยถูกเลี้ยกดูด้วยน้ําเหลืองน้ําเลือดชุ่มแช่อยู่ด้วยบุโปโลหิตเอเกิดมาจากสิ่งสงกปรกโสโครก เราต้องชำระสาสางอยู่ตลอดเวลาคราใดที่เราไม่ชำระสาสางมันก็จะคายสิ่งสกรปรกออกมาตลอดเวลานไหมนัคือผมขนก็เหมือนกันฟันนะลักษณะของฟันเหมือนกระดูกเป็นสิ่งที่งอกที่คางเบื้องล่างเบื้องบนสำหรับใช้บดเคี้ยวอาหารรากของฟันนะนอกมาจากกระดูก แล้วก็มีเลือดน้าเหลืองเลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงมันก็ฮอกมาจากไอ้ที่อยู่มันก็ชุ่มแช่ด้วยบุปโปโลหิตอีกเหมือนกันเกลือกกล้วยอยู่กับสิ่งสกรปรกโสโครกแล้วก็คายสิ่งสกรปรกออกมาตามไรควันตลอดเวลาเราจึงต้องชำระชะาสังอยู่สม่ำสเสมอวันใดคราใดวันไหนที่เราไม่ได้ชำระ บ้วนปากล้างฟันเนี่ยวันนั้นอะนรกบีจริงมันเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันมันเกิดอยู่อย่างนั้นหนังอ่ ะ, อะลักษณะของหนังเป็นไงบ๊วยหนังอ่ะ ลักษณะก็หนังคือสิ่งที่หุ้มอยู่ทั่วตัวนะก็เหมือนกันหนังชั้นนอกเรียกว่าหนังกําพร้าบางนิดเดียวดูเรียบดูรื่นดูสวยไอ้คนที่เราบอกว่าสวยที่พูดกันว่าโอ้ยสวยเหลือเกินสวยเหลือเกิ น, ก, นก็แค่หนังกําพรา้านิดเดียวพอลึกภายใต้ไปหนังกําพรา้าตรงนั้นก็จะเป็นอะไรเป็นน้าเหลืองน้าเลือดแล้วใช่ไหม ลึกลงเข้าไปอีกลึกลงไปแหวกลงไปนิดเดียวอ่ะก็เจอเลือดเจอไขมันเปลเวเจออะไรลิ่มเนื้อเจอเส้นเอน็นเจอกล้ามเนื้อเจอกระดูกถ้าเราไอคนไหนที่บอกว่าโอ้ยเป็นเป็นเอซีเป็นแฟนคลับโอ้โหน้นไปเข้าคิวรอจองซื้อบัตร ไปจองซื้อบัตรเสร็จแล้วเนี่ยต้องตื่นตนั้งแต่ไก่โหต้อง ต, ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนลุกเปรี่ยมไปนั่งรออยู่ตรงนั้นเพื่อเรียกข้าไปหาก็ต้องเอามีดไปกรีดและเอานิ้วไปจิ้มเลือดมันมาดูดตรงนี้กล้าไหมไปเคี่ยวไขมันเปลียวมันออกมาหน่อยนึงเอามาเลียได้หน่อยได้ไหมฮะกําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่ะ กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตัดเล็บถอนเส้นผมของมันสักสองสามเส้นใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวเรากินอร่อยไหม อ, อ้าวทำไมอะ่ะทาไมอ่ะทำไ ม, ำไมเร็วเพราะมันโศกะโปรกใช่ไหมล่ะเออ <laughs> เพราะมันโศกกระโปงกอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีความแตกต่างการเรียนรู้เรื่องอาการสามิสองนี่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการการในเรื่องของการปรับจิตสำหรับที่จะวางให้จิตนั้นมันปรับตัวมันได้ผมขนเล็บกั้นหนังเนื้อรู้อยู่แล้วเห่ไหม N. เอเอาเอเป็นไงนไอ้ที่เราคู่ได้อย่างเงี้ยเพราะอาศัยอะไรเอที่มันเชื่อมกันกับกระดูกรัดรึงกล้ามเนื้อกับกระดูกใช่ไหมเราก็คู่ได้ ถ้าไม่มีมันก็หลุดไปสิใช่ปะะเปล่าล่ะเห็นก็เหมือนกันเลอกระดูกก็เหมือนกันงั้นในร่างกายเราทั้งร่างถ้าไม่ศึกษาอาการสามสิบสองแล้วก็ไม่พิจารณาให้รู้จักในฐานะที่เป็นอาการสามสิบสองเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงไม่ไม่สามารถเข้าถึงตัวเราจริงๆได้เข้าไปถึงมันก็ไปติดตรงชื่อตรงนามสกลุล ตรงเสื้อผ้าเข้าไปข้างบนมันก็ติดสีผมใช่ไหมเข้าไปตรงตรงนี้มันก็ติดลิปสติกลิปสติกมั่งนำขนเขียงหนังคิ้วมั่งเข้าไปตรงด้านบนนี้ก็ไปติดซิลิโคนมั่งเ <c oughs> อาอมาปิดเ อ, อาบาบังไว้หมดเข้าไปไม่ถึง <c oughs> เ, <อ>เพราะฉะนั้น ฝากไว้กลับไปท่องให้ได้นี่วันที่สี่ถ้าใครไปอาคารทำดีรุ่งโรจน์นี่ไปกลับไปท่องเลยนี่วันนี้ที่ยี่แปดใช่ไหมยิบเก้าสามสบสาสิเอ็ดหนึ่งสองสามสี่อีกเจ็ดวันท่องได้เลยเอาเคภาษาไทยก็ได้ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ดีทะเลนองเลือดเหลือมันข้นน้ําตาปเปรี่ยวมัน น, น้ําหลายน้ําเลือกไก่ไก้น้ํามูกไก่ข้อน้ํามูกน้ําไข่ข้อน้ํามูดมแล้วก็มันสมองรวมแล้วสามสิบสองอันเป็นธาตุดินเจืสิบเก้าเป็นธาตุไฟเป็นธาตุน้ําเสียสิบสองสิบสองคับสิบเก้าเท่าไหร่วะ สามเดใช่ไหมแล้วก็มันสมองอีกหนึ่งเป็นสามิบสองพอดีต้องไงได้จำไม่แม่นนั้นสมัยก่อนเวลาใครไปหาพระพเจ้าขออารมณ์กรรมาฐานหน่อยพระพุทธเจ้าเอาอะไรให้เอาอาการ3ามองนี่เลยให้พระได้อาการสามสองเสร็จแล้วก็เข้าไปถึงในป่าก็นั่งพิจารณาทำอนาปาญสติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิ ก็ไม่ต้องอยู่กับอาณาต่อแล้วก็หันมาพิจารณาการสามสิสองพิจารณาพิจารณานี้บางทีไปพิจารณาอาการสามสิสองเนี่ยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพอพิจารณาการสามสสองอย่างเดียวเห็นตนเองเป็นผมเป็นเห็นตนเองเป็นเลือดเป็นน้องเป็นกระดกูกเป็นน้ำมูกเป็นถิงถิงเน่าก็เกิดการเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมากเลยรังเกียจตัวเองไปเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากให้มันมีอยู่แล้วต้องไปเดี่ยวจ้างคนให้มาฆ่า อันพระสมัยก่อนพระสมัยกรร่อนมียุคหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอสุภาษะไปพิจารณาอสุภาษะเสร็จแล้วมันเบื่อตัวเองเห็นตัวเองมันสกปรกเต็มไปด้วยขี้หูขี้ตาขี้เล็บขี้ควันขี้ใครเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกรโฉกเวลารู้สึกตัวขึ้นมามันเหมือนกับมีซากศพมาแขวนอยู่ที่คอไม่รู้จะทํำยังไงดีแล้วก็อยากจะไปให้พ้นจากตรงนี้ก็ไปจ้างช่างช่างโกนหัวช่างตัดผมอ่ะ บอกว่าช่วยฆ่าฉันหน่อยขอร้องไอ้ข้าเฮ้ยไม่เอาฉันไม่ฆ่าหรอกขอหน้าเดี๋ยวฉันจ้างสมบัติที่ฉันมีทั้งหมดนี่เธอเอาไปเลยก็พวกบาทพวกผ้าจีวรเนี่ยเธอเอาไปเสร็จแล้วก็ตั้นพอเธอฆ่าเสร็จเสร็จแล้วฆ่าฉันเสร็จแล้วเธอเอาไปเลยไอ้นั่นก็ก่า ไ, ไปหลายศพกว่าพระพุทธเจ้าจะกลับมาจ้างให้เขาฆ่าจ้างให้เขาฆ่าเพราะว่าเบื่อตัวเองก็ลือเกินพระพุทธเจ้ากลับมารีบสั่งให้ไป จเจริญอาณาปานาสติพอไปจเจริญอาณาปานาสติปับ๊บสติกับสมาธิมันก็ปรับเข้ามามีความตั้งมั่นพออสุภะสัญญาที่เกิดอยู่ก็กลับมาเป็น เ, เป็นปัญญาเป็นอารมณ์ธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสมาธินี่สำคัญนะ ทำอย่างอื่นไปปฏิบัติกรรมฐ า, านอะไรก็ช่างเถอแต่ลมหายใจอย่าทิ้งนะที่ปฏิบัติปฏิบัติกันเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆอบรมมันเป็นสมาธิสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบกอ่อนแอไม่ได้บกพร่องไม่ได้พวกที่มาสมาธิอ่อนแอจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยไปมองเห็นเห็นอะไรแล้วมันทําใจไม่ได้เห็นอะไรแล้วมันทําใจไม่ได้ เ, ไไไดเพราะกําลังของความตั้งมั่นของจิตมันไม่มี แต่อันสมาธิเนีพระพุเจ้าว่าเมื่อทําไปแล้วมันจะทําให้เกิดสุสมาหิโตคือจิตมีการตั้งมั่นอย่างดีเพราะฉะนั้นให้จําไว้แล้วก็ไปสืบต่อเหมือนที่พูดถึงเมื่อเช้าว่าเราไม่มีเวลาอยู่บ้านต้องขับรถออกไปทํ า, มม า, าการแต่เช้าก็อย่างที่บอกอ่ะทวนในอีกครั้งว่าตื่นนอนรู้สึกตัวก่อนลุกออกจากที่นอนรู้ลมหายใจยาวห้าคู่ พอรู้ลมหายใจยาวห้าคู่เสร็จแล้วลุกจากเตียงข้าห้องน้ําห้องตาอาบน้ําแป่งกันแต่งตัวแต่งไรเสร็จกินข้าวเรียลงมาจากบ้านขึ้นรถก่อนไปจับพวงมาลัยก่อนขับรถออกมาเอาอีกสามคู่4ี่คู่ขับรถนบรินวณท้องถนนไปถึงที่ตำนานเข้าออฟฟิศนั่งปรับก่อนที่จะรื้อ ง, งานขึ้นมาทําก่อนเอาสักสามคู่4ี่คู่พอทําไปแล้วงานเลิกพักเที่ยงก่อนไปกินอาหารกลางวันอยู่ในห้องนะ้ำก่อนลุกไปเอาสักสองคู่ ข้ไปถึงทานอาหารเะไเสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงที่โต๊ะทำงานดี ก, ก่อนเริ่มทำงานเอาสักสคู่ทำงานเสร็จตอนเย็นเลิกงานก่อนออกจากที่ทำงานเอาสักห้คู่ออกจากที่ทำงานเสร็จข้าไปที่ที่จอดรถข้าไปถึงจับปวมาลัยก่อนที่จะออกรถก็เอาสักสคู่ในระหว่างทางมีจังหวะรถติดกวยแดงเห็นตัวเลขมันยาวๆก็สองคู่พอมาถึงบ้านจอดรถเรียบร้อยก่อนลงจากรถก็สองคู่สคู่ จดรถเสร็ก้าไปถึงบ้านก่อนนอนก็อีกสักสองคู่อะไรเงี้ยสามคู่ตื่นนอนขึ้นมาก็ก่อนลุกจากเตียงห้าคู่ให้ปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยเออรู้ลมหายใจยาวอ่ะทําอยู่อย่างเงี้ยแล้วในที่สุดจิตมันจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่อย่างแท้จริงทำได้เปล่าฮะไม่ยากหรอกอย่าลืมแล้วกันะ อย่างนี้ได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะเรามีความทุกข์มีความไม่สบายมีความลำบากเพราะเรามีอะไรมีอะไรนะเรามีกายเรามีกายทุกคนและเรามีกายเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความสร้างฉันทะสร้างความเชื่อมชื่น ในการที่จะจะฝึกฝนอบรมกายใจนี้นอกเหนือจากการอบรมแล้วสะสมสติสมาธิปัญญานั่นแล้วเนี่ยอย่างเรามาปฏิบัติที่วัดพวกที่มันไม่มีกายมีไหมฮะ พวกที่ไม่มีกายหมายความว่าพวกที่มีกายมันไม่ได้ประกอบด้วยธาตุสี่นะเออพวกนี้มีนามากายมานั่งรอใน ว, วัดแต่ก่อนวัดสมัยก่อนมันมีกิจกรรมแบบเนี้ยแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีมีกิจกรรมอะไรไม่รู้หมลําจ่งหมลําึ่งบางที่เนี่ยเทวดาตกใจหาย ห, ายหลังเลยอ่ะ เมื่อก่อนเทวดานี่มันประจำอยู่ตามสเวิตฉัดบ้านบุคคลสำคัญสาคัญมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากแต่แกขี้เหนียวขี้เหนียวขี้เหนียวมากขี้เหนียวจริงๆอ่ะทีนี้ขี้เหนียวขนาดไหนขนาดคนขอทานเวลาเดินผ่านนะ พอเข้าเขตบ้านเศรษฐีนี่วิ่งแบบไม่หันหลังเลยอ่ะมันเสียเวลามากเดินผ่านหน้าบ้านเศรษฐีเนี่ต้องทําความเร็วคือวิ่งโอ้เลยอ่ะเศรษฐีก็ไม่อายกินเหนียวมากเป็นที่รู้กันทั้งเมืองอ่ะพระเอย่ยอะไรเอยไม่มีใครมาหรอกบินธบาตพอมาแถวนั้นน ะ, ะบึงอย่างเดียวแต่ทีนี้บ้านเศรษฐีในสเวตชาติของเศรษฐีนี่จะมีเทวดาครองอยู่ อยู่เป็นประจําอยู่ไอเทวดาที่เป็นสมาธิติเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการสาธุการในในต้องการส่งสาธุการต่อบุญต่อกุศลของคนแต่มาอยู่บ้านเศรษฐีสถิตอยู่ตรงนั้นไม่มีโอกาสได้สาธุการเลยไม่มีโอกาสวันหนึ่งมีพระมาบินตาบัต พระมาบินตบาทพระแกไม่รู้เดินข้ามาถึงหน้าบา้านเศรษฐีมาถึงเห็นพระไล่พอไล่เสร็จแล้วพระแกก็ไม่ไปเพราะพระเข้าใจว่าการบินตบาทนี่มายืนอยู่หน้าบ้านใครแล้วมันต้องได้ไม่ใช่อยากได้นะแต่ในความหมายของพระนี่เข้ามาบอกว่าไปยืนบินตาบาทอยู่ที่หน้าบ้านใครเนี่ย มันต้องได้พอเขาไล่แล้วตาตัวเองไปเหมือนตัวเองไม่ได้ทําหน้าที่พระแกก็ไม่ไปกคยืนว่าอยู่นั่นนะรออยู่นั่นนะไอ้เศรษฐีมันบอกเฮ้ยพอยืนนานๆเศรีกลัวจะอายคนนะวิ่งมาบอกพรัญญาไอ้มีอะไรเหลือในในกลางในครัวมาที่อโมยนใส่บาทไปพระนี่ที่เรียกรียกร๊ยวให้ไปยืนนานๆอายคนพรัญญาก็ออกไปถึงไปดูในครวัวมันมีแต่ของเหลือกินเหลือเด่นะ่ะ มันไม่มีของใหม่อันเหมาะจะกับที่จะเอาไปใส่บาทพระไงเขาบอกเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาให้พวอครัวเราทำปุงขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะใส่าบาทเธอมันรวยนักหนาหามาจากไหนแน่ใส่พรรญญาอีกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่นนะไอ่ไข้าวสาลีอ่ะเอามาเท่ารอยเท้าแมวอ่ะยุงเงี้ยรอยเท้าแมวเงี้ยข้าวสาลีเนี่ยก็ยุ่มมางี้สดไม่กิน ไ, ไม่ใช้ได้เลยแล้วยุ่มมางี้ แล้วให้เดินถือไปใส่บาทขยุ้อย่างเงี้ยใส่บาทอ้าวใส่แล้วพระอะอย่างงั้นอ้าวเขาใส่แล้วพระทำอนุบูธนาอิจจิตังปติตังตุมหังคิปะเบวะสมิชาตุเทวดาอยู่บนสวิตชาติตกใจสาธุการตกใจหาย ห, ายหลังจนปรากฏเป็นแสงเป็นระว่างควบคุมตัวเองไม่อยู่ไงเผยาธาตุของความเป็นทิพย์ ของเป็นเทวดาก็จ้างว่ไอ้ฤาษีนี่เห็นตกใจว่ามีเทวดาอยู่ที่บ้านมีอะไรแปลกปลอมอยู่ที่บ้านเอภรรยาบอกว่านั่นทิงรักสิทั้ง น, น, น, น, น, นั้นทิงรักสิทเสถีก็ดีใจว่าโอ้ใส่บาทแค่ไอ้ <c oughs> แค่รอยเท้าแมวเนี่ยข้าสาลีแค่รอยเท้าแมวยังเห็นอาณิสงปานนี้พระคุณเจ้านี่มณโกลนี่มณโกล <c oughs> ท, ทั้งที่ไอเทวดาแด้จริงๆอะ่ะมนคุมความเป็นทิพย์ไม่อยู่ตกใจดีใจที่่ ท, วทีว่าได้ยินเสียงพระมาะอิจิตังปฏิตั ง, ต, งตุมหังอยู่ที่หน้าบ้านเพราะความขี้เหนียวของดีเทวดาบางทีก็น่าสงสารเหมือนกันนะเขานั่งรออนุมโมทนาสาธุการต่อการทําดีของคนอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเขาเดินไม่รู้หรอกแต่เทวดาตามช่อฟ้าใบรากาตามต้นโพตามชุมประตู ขคอยอนุบูตนาสาธุการกันอยู่ยิ่งเมื่อคืนนี่เดินจงกรมกันทั่วไปหมดอ้จิตตังปฏติตังตุมหังกิปามีวะสมิชาตุสเพปูเรนตุสังกับตาจันททปนรัสโยยทธามนิโชทิราโยยัทาอคตเวปัสสนานังคังธมังวิชารตัง อาเคพุทธเเปสนนันังทักขิดเยอนุตเรอธมเันนังวิราคูปสเบสุเอทังเปันนังุญาเคเตอนุตระอากาศามิงดานังดัฎตังอากาศปุญญบวตติอากาศอายุเจ้ันโดจายโสกิตติสุขังปลังอกดาตาเบวี อากาศมามวหิตตวเทวปโตมนุสโซวาอากปโตปโบดติสิทธมัตุสิทธมัตุสิทธมัตุอิทังบลังเอตสมิงรัตนนาตาญตสมิงสัมปัสสันนาเจตโสสัพพุทธานุภาวีนะสัพพธรรมานุภาวีนะสัพพังฆานุภาวนะสัทธาโสทีปวันตุเตอนุโมบตนากับทุกคนนะ